พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าบเอ็ดลำดับที่ห้าโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2556หมีชื่อเรื่องว่านรกยังไม่เต็มวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานนะวันนี้นะ วันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช 2,556 เป็นวันแรงงานของประเทศประเทศไทยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจทางหลายก็คงจะหยุดงานในวันนี้แล้วก็พวกเราท่านทางหลายที่อยู่ด้วยกันมากน้อยก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูด การทำงานก็เฉลี่ยกันหนักบ้างเบาบ้างพวกที่อยู่ข้างในก็พยายามปัดกวาดหนักขึ้นไปน้อยถ้าเราทำอยู่อย่างเก่าคล้ายๆว่าเราเห็นแก่ตัวอะไรเราออกไปดูข้างนอกที่ท่านทำงานหนักขนาดไหนกับเราที่ปัดกวาดเนี่ยมันต่างกันอย่างไรมันต้องทำงาน เหลื่อมล้ำกันเฉลี่ยกันในหลัการอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอยู่อูไม่คิดไม่อ่านถ้าอยู่ที่วัดไหนอยู่กับที่ใดหนักวัดมาอยู่ที่วัดของหลวงพ่อขนหนักวัดไม่ใช่หนักอย่างอื่นนะมันหนักใจหนักใจแบบไม่คิดไม่อ่านถ้าเราไปอยู่บริษัททางร้านไหนไปอยู่ในกับครอบครัวไหนไปอยู่กับพ่อแม่ วงศาคณาญาติไหนเขากหนักใจพออะไรพอเราอยู่แบบไม่คิดไม่อ่านอยู่แบบทำงานไม่เหลื่อมล้ากันแต่ทางว่าเราไปอยู่แล้วรู้จักการทำการทำงานรู้จักแบ่งเบารู้จักมองวัดมองวามองครูบาอาจารย์มองมองหมู่พวกเพื่อนไปอยู่ที่ใดเบาเบาใจกับผู้ที่ เป็นเจ้านายผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาบริษัททางร้านพ่อแม่ครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนสำนักงานเขาเบาใจหมดเพราะเหตุไรเพราะว่าตัวเองเข้าไปอยู่แล้วเอ๊ะจะทำวางตัวอย่างไรในการมาอยู่กับชุมชนกลุ่มนี้ไม่ใช่ว่าถึงเวลากินเขาไปกิน เวลาทำงานแล้วก็หลบหนีหลบหลบลีกๆลกลุกลี ก, ลกซ่อนๆเวลาเข้ามาแบ่งปันผลประโยชน์แล้วก็นั่นแนะออกหน้าออกตาไปอยู่ที่ไหนเมื่อก็ไปขวางเขาทั้งหมดไปอยู่กับผีกับผิดผีไม่ใช่ว่าอยู่กับมนุษย์ละยิงไปอยู่กับมนุษย์ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมคนประเภทนั่นนั่นเเดี๋ยวเขาจัดการ ถ้าเป็นผู้มีศีลมีธรรมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อาจกระอวนเพราะนั้นสิ่งเราได้ให้มองตนเองอย่าไปมองออกแต่ที่อื่นให้มองเข้ามาหาพวกเราเราไปอยู่ท่าสถานที่ใดให้มองตนเองถ้าเรามองตนเองแล้วนั่นแหละอยู่ด้วยกันมากน้อยร่มเย็นเป็นฉุกไปหมดสงบเงียบไปหมดอย่างเป็นหัวหน้า จะไม่ใช่ควาสะดวกสบายหัวหน้ากระทุกอีกแบบหนึ่งจะทำยังไงเจนจะเลี้ยงลูกน้องบริบาลได้จะใช้อย่างไรด้วยศีลด้วยธรรมจะพูดยังไงจึงจะเกิดศรัทธาจากพี่น้องประชาชนจะทำยังไงดูในปกครองจะร่มเย็นเป็นสุขมันก็อีกแบบหนึ่งอีกเมื่อไันเมื่อเป็นหัวหน้าให้พวกท่านทั้งหลายคิดเป็นหัวหน้าไปอยู่เป็นหัวหน้ากัน แ, แล้วกัน ไม่ใช่ว่าเป็นหัวหน้าไม่กี่เกือนกี่ปีนะเห็นแต่หลวงพ่ออินนะั่นแหละที่จะให้ก็ซ้อ เ, อเข้ามานะนะถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นไปว่าเลี้ยงตัวเองไม่รอดตัวเองมันต้องเป็นตัวเองอยู่ก็จอยู่แบบยากจนก็คือยากจนนะบุญบารมีของตนเองมีมากน้อยแค่ไหนก็พึ่งบุญของตัวเองนะั่นะ ที่ได้สั่งสมมาเพระนั้นให้พวกเราทุกทุกท่านนะในเมื่ออยู่เป็นลูกศิษย์ก็อยู่แบบลูกศิษย์ในเมื่อเราออกเป็นอาจารย์เอาเป็นหัวหน้าแล้วก็ตองในวางแบบแปลนเป็นหัวหน้าพวกเรานาวกกะก็เหมือนกันช่วงนี้เขามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เรื่องพระพุทธศ า, าสนามาเรียนรู้เรื่องกรรมฐานวิธีการปฏิบัติตนเองอย่างไรแนวความคิดอย่างไร การคิดคิดอย่างไรจึงจะถูกการพูดพูดอย่างไรในหลักธรรมคาสอนจึงจะถูกใช้วาจาใช้อย่างไร <Hey. S 1> การกระทา ท, า, ทาอย่างไรการ ค, คิดคิดอย่างไรนี <Hey. S 1> ่ยหละพวกเราเข้ามาศึกษาเรื่องพุทธศาสนา hmm. มาศึกษาเรื่องแนวความคิดและก็การกระทาและก็การพูดกายวาจาใจสรุปแล้ว มาเพื่อการศึกษาเรื่องกายวาจาใจนี่ยแะถ้าหากว่าใจใคิดไม่ดีการกระทาออกไปก็ไม่ดีการพูดออกไปก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะใจมันเป็นบาปเป็นใจมันเป็นอกุศลจิตใจมันไม่ดีแล้วส่งลูกน้องออกไปกายวาจาก็ไม่ดี วันนั้นจะทํายังไงหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาจะมีวิชาอะไรที่จะอบรมใจได้นจะเอาใจให้อยู่หมัดเนี่ยจ้าใจตัวเองให้อยู่หมัดมันโปร่งฟุ้งอยู่ตลอดเวลาจะเอาอยัางไงจริงจะอยู่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงไปค้นดูแล้วว่กากรรมฐานต้องมีเครื่องยึดทางด้านจิตใจจิตอะไรพระพุทธเจ้าพันยึดลมหายใจเข้าออกค ให้เป็นหลักเอาไว้ยึดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนีละท่านยึดจุดจุดนี้พอยึดจุดนี้ใจมันรวมเลยใจมันใคล่ายว่าความปรุงฟุ้ ง, งคิดต่างๆมารวมมารวมที่ลมหายใจจากนั้นเมื่อลมที่ลมหายใจแล้วดูใจของตัวเองนึกคิดเรื่องอะไรมีเหตุมีผลมากน้อยแค่ไหน ต้องใช้ปัญญาขี้คายดูแลเท่นี้นี่แหละจากนั้นก็วิธีการคิดอยู่ในสัมมาทิฏฐิลิมิตชาทิฏฐิไอ้สัมมาทิฏฐิคิดยังไงจึงจะถูกต้องท่านก็ทดลองจากนั้นท่านก็บรรดาลขึ้นมาเท่นี้เมื่อคิดอย่างนี้ถนะ้าเป็นสัมมาทิฏฐินะคิดอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะทอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะพูดอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะ จากนั้นเราก็พวกเราที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังที่เรามาศึกษาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เอาแบบแผนที่ท่านได้คิดไว้แล้วนะท่านวางไว้แล้วนะเอานํามาประพฤติปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าให้คิดอย่างนี้ที่ว่าเป็นสมาธิเตี้ยมจริงไหมงั้นเราจะทดสอบทดลองอีกก็ยังได้การทาอย่างนี้เป็นสมาธิที่ใช่ไหม เป็นมิจฉาทิฏฐิยังใช่ไหมทําอย่างนี้พูดอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมอันนี้ก็คือเราจะต้องนํามาวิเคราะห์อีกที่หนึ่งไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าพูดยังไงเราจะเชื่ออย่างนั้นทีเดียวแต่ตามไม่จริงให้เชื่อไปก่อนเพราะว่าพระพุทธเจ้าวางพระพุทธศาสนาไว้ทั้งสอง 2,000 ันกว่าปีเป็นที่ยอมรับมาโดยตลอดแต่มาถึงข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ยอมรับเพราะอะไรข้าพเจ้ามีทิฏฐิมานะ กิเลสมากเกินไปหรือเปล่ า, าหรือว่ามันมีเหตุผลอย่างไร อ, อันนี้ก็ต้องมาตรวจตราดูตัวของเราเล่ะทีนี้เพราะว่าทม ค, คำสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ดีแล้วเป็นสวากาตธรรมเพราะนั้นเราต้องนำมาพิจารณากันกรองไตรตรองอด้วยเหตุและผล ให้ถี่ถ้วนเปรียบเทียบในเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นจะเป็นจากตำรัรํำราหรือาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือจากผู้ที่เรารักเคารพนับถือที่ท่านยกเป็นทาคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาบอกกล่าวเราก็ต้องฟังฟังเสร็จแล้วก็ศึกษากานกรองไตรตรอง เอาสติปัญญาของเราเท่าที่มีเท่าที่มีในจิตใจของเราปัญญาของเราเท่าที่มีถ้ามันเหลือสติปัญญาของเราเราคิดไม่ออกเราต้องศึกษาถามอีกถามคนอื่นที่ท่านที่รู้อีกท่านมีความเห็นว่าอย่างไงในเรื่องนี้ฮะจากนั้นท่านก็จะทิบว่ายให้ฟังท่านที่ว่าไม่จุใจยังสงสัยอยู่ถามวงอื่นอกีกมีความเห็นว่าอย่างไรงนี่แหละ อันนี้ก็คือผู้ไฝ่ในการศึกษาจากนั้นก็จะเรียนรู้จะรู้ได้นะเพราะนั้นเราจะมัวเมียจะไปปาหมาดดูถูกเลยโดยที่ไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยนะอันนั้นปฏิถิมานะแต่ตามไม่จริงการดูถูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยมันไม่ใช่มีแต่ในยุคนี้สมัยนี้นะที่หลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษาในพระไตรปิฎกขนาดพระพุทธเจ้ายัง มีผู้ดูถูกด่าพระพุทธเจา้าอีกต่างหากขนาดลูกศิษย์อยู่ใกล้ชิดอีกต่างหากนะใกล้ๆว่าเป็นผู้รับบาดเีวรของพระพุทธเจา้าก่อนพระอา น, นุตก่อนพระ อ, อ น, นุ์เป็นพุทธอุปถากรสุนขคาตาลิสุวีสุนขคาตาลิสุวีลิสสวีใกล้ๆว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมืองเวสาลีเมืองเวส า, ล, ส า, ล, วสาลีเขาจะปกครองแบบลิสุวี พิศวีคือห้าร้อยตระกูลเขาจะเลือกสรรเข้ามาเหมือนกับผู้แทนอย่างนี้แหละผู้แทนราชดรแต่มันเหนือกว่าผู้แทนมันเป็นเชื้อพระวงศ์เชื้อเจ้านะ่ะแล้วก็เลือกเข้ามาปกครองเจ็ดวันให้คนหนึ่งเป็นพระเจ้าเป็นดินเจ็ดวันคือเรียงกันไปแล้ว เ, เดือนหนึ่งเป็นมีพระเจ้าเป็นดินสีองค์คะคนละเจ็ดวันเจ็ดวันพอองค์นี้ขึ้นมาสแสดงความคิดเห็นแล้ว ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้อย่างนี้ในการปกครองประเทศชาติที่เจริญอย่างนี้นี่พูดไปไอ้พวกฤทธิสวีทั้งหลายทั้งปวงก็นั่งฟังเห็นด้วยเอาบันทึกพอวันพอเจ็ดวันขึ้นมาอีกฤทธิศวีคนที่สองมาเป็นพระเจ้าเป็นนิดอีกเจ็ดวันคือให้สิทธิ์น่ะไอ้บริหารอะไรบงั้นข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้อพอจบเจ็ดวันเอาผู้หนึ่งขึ้นมาอีกนี่แหละจากนั้นก็ รวมกลุ่มใหญ่ขึ้นมาแต่ละความคิดเห็นแล้วว่าปกครองแบบริสุวีนะแต่ไนี่โซนัคตาลิสวีนี่ก็คนหนึ่งนะเการบนับถือเลื่อมใสพระพุทธเจ้าจนออกบวชออกบวชเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ถือบาตรและจีวรของพระพุทธเจ้าไปนัสถานที่ใดๆเ ป, เป็นลูกศิษย์อบางทีก็ถามพระพุทธเจ้าอีก ให้พระพุทธเจ้าตอบในสิ่งที่ตอบยากๆว่างั้นอ่ะเออตายแล้วเออไปไปสวรรค์ไปที่ไหนออไปนรกไปที่ไหน อ, อ่าเป็นยังไงตายแล้วสูญตายแล้วเกิดออให้พระพุทธเจ้าประกาศในที่สาธารณะหงวงพธองลวบอกเออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นดาบสองคมถ้าเราประกาศออกไปแล้วเนี่ยคนที่นับถือเริ่มใสก็เชื่ออยู่แล้วก็เออเชื่อ แต่ถ้าว่าผู้ไม่เชื่ออยู่แล้วมันคงไม่ดีเนีเพราะนั้นเราจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เอาองค์ไหนพระสาวกองคไหนที่จะพูดองคไหนก็พูดไดเ้เมื่อรู้แล้วพระองค์บอกว่าไม่ได้เนีถ้าเราขืนพูดไปองค์นั้นพูดไปองค์ที่ไม่รู้ละ่ะขั้นก็ไม่ได้ฉันอาหารอะสรทีแต่เนี่ยองค์ที่รู้เขาก็ น, นับถือเริ่มใส่องค์นั้นองค์อื่นน่ะ ที่ท่านไม่รู้ท่านรู้อยู่แต่ท่านพูดไม่เก่งอย่างนี้ศาสนาของตถาคตจะอยู่ได้อย่างไรไม่ได้ไม่ควรจะพูดคือบางสิ่งบางอย่างพระพุทธเจ้าต้องมองภาพรวมเอามากมองมองมองภาพรวมเป็นหลักแต่สุนัขคาตฤศวีนี่อยากจะให้มองเอาเด่นเด่นเจขาดไปเลยลักษณะอย่างนั้นนะกิเลสของมนุษย์เป็นอย่างงั้นนะพอต่อมาอีกแต่สุนัขคาตานี่ ไับได้ไปฟังคนนอกศาสนาอธิบายออใครเข้าว่ามนุษย์เกิดมาแล้วมีอะไรมีแต่เปลืองผ้าแก้ผ้ามาเกิดแล้วจะไปใส่ใจอะไรออก็เป็นธรรมชาติดีมันจะไปหาสนใจอะไรเสื้อผ้าเนี่ยพอในทีสุกก็ไปฟังเขาทฟังอือใช่เออปริภายชกนอกศาสนาทนกสิวต พูดถูกต้องเหนือกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังมีเรื่องห่วงหาอะไรเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ออบ่วงปกครองคณะสงฆ์บริหารคณะสงฆ์อยู่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยปริพาชยชกนดีเนี่ยเอาไปมาก็เลยเข้าไปเข้ารีดทีนี่ไปเข้ารีดปริพายชกเสร็จแล้วมามอบบริขาร อัฐบาลริขารให้พระพุทธเจ้าเอ้ยสมณโคตรมข้าไปเจ้ามอบคืนบริขารท่านเอ้ยไปข้าไปเจ้าไม่นับถือเรื่มใส่ละข้าไปเจ้าไปนับถือเรื่อมใสเอ้ยศาสนาอื่นละปริภายโชกเขามีเหตุผลกว่านต่เนี่ยครับจากนั้นกับประกาศเอ้ยพอไม่เรื่อมใสแล้วยึดทางหนึ่งแล้วกเอ้ยใครข้าวัดดูถูกเหยียดหยามขึ้นมาเลยสมณโคตรมไม่ดีอย่างงน้นสมณโคตรมไม่ดีอย่างนี้พระสงฆ์ ลูกศิษย์สองของสำนักโคตรมพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้มีเงื่อนงำอย่างงุ้นอย่างนี้เลยเออไปพูดนอกเมืองในเมืองแต่พระฤทธิสวีพูดใช่ไหมล่ะเคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนภาษาไรบุตรก็ได้ยินได้ยินท่านก่อนโอ้สุนัรคัตติฤทธิสวีพูดไม่ดีะดูถูกเหยียดยามพระพุทธเจ้ า, จาทั้งที่เป็นลูกศิษย์มาก่อนพระพุทธองค์บอกว่าสาษารบุตร เขาทางหุนทางไปสู่นรกของเขาไม่ต้องไม่ต้องคิดอนี่แหละเขาจะต้องไปตกนรกออกจากตกนรกตกนรกแล้วเขาจะมาเป็นเปรตเนสุนัขขัตตาลิศวีเนี่ยเขาจะมาเป็นเปรตใช้กรรมอยู่นานนะแต่เอาเถอะเราเคยเป็นมาแล้วอย่างที่เขาเป็นมัน น, นับจากนับคอยหลังจากนี้ไปเก้าสิบเอ็ดกลับเรานี่แหละเป็นปริพายชกพวกนี่แ่ละไม่นุ่งผ้า อยู่ในป่าเรากินขี้โคกับใบไม้เท่านั้นเพื่อจะให้มีตปาปะเพื่อจะให้ผลทุกข์เราไม่มีเสื้อผ้าหน้าหนาวขนาดไห้เราก็ไม่ใส่ผ้าเราอยู่ตามลําพังเงียบสงบไม่เห็นคนเลยเราเคยปฏิบัติมาแล้วอย่างนีน้แต่มันไม่ใช่ทางมันเป็นเรื่องกิเลสมันมีเต็นเป็นความคิดเท่านั้นเองมันมีแต่เรื่อง ไปสูนรกเพราะนั้นเราจึงหยุดเราพิจารณาดูด้วยเหตุผลแล้วอมันเกิดขึ้นมาในใจของเราแล้วเราเห็นในใจของเราเราก็เลยหยุดในเรื่องนั้นเห็นว่ามันไม่ถูกต้องนี่แหละอันนี้พวกสุนัขขัตตานี่เขาเดินตามที่เราเคยทํามาแล้วในอดีตไม่เป็นไรกรรมไหนที่เคยทํากรรมอันไหนไว้เขาจะต้องได้รับผลของกรรมนั้น ถ้าพูดแบบหลวงปู่จามพูดะท่านก็คงจะว่านรกมันตังยังไม่เต็มเอสวรรค์ก็ยังไม่เต็มผมมันโลกก็ยังไม่เต็มเออใครจะสร้างเอาวันไหนก็เอาได้ตามมัตย์ยาใสโลกนี้โลกหาได้กุฏิแม่ชีแก้วบอกอต่โลกนี้โลกหาได้หานรกก็ได้หาสวรรค์ก็ได้หาความชั่วก็ได้หาความดีก็ได้โลกนี้โลกหาได้เพราะนั้นพวกเราจะหาอะไรถเนีย พวกเรามาบวชในคราวนี้มาศึกษาในวัดปฏิบัติในครั้งนี้เราจะมาหาอะไรนะเรามาหา น, นารกหรือหาสวรรค์หามักหาผลแล้วพวกเราจะหาอะไรนะให้พวกเราถามถามพวกเราเองนะให้พวกเราถามตัวเองเราจะให้คําตอบพอถามเสร็จแล้วก่อนเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกเงานะไม่ใช่ถามตนเองโ ง, โง่โง่อีกต่างหาก ตัวเองก็โง่แล้วถามตัวเองก็ยิ่งโง่ไปใหญ่อีกพอถามเสร็จแล้วก็ต้องเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกเงาเอาธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเป็นกระจกเงาใสส่องตนเองแล้วก็แนวความคิดของตนเองแล้วก็นำธรรมคำสอนของท่านามาเปรียบเทียบกระจกเงาคือเปรียบเทียบอ่า ท่านมีสติอย่างไงท่านมีปัญญาอย่างไรท่านรอบรู้อย่างไรท่านจึงพูดออกมาอย่างนี้แนวความคิดของเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันไปสุดโต่งหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาจากนั้นกันนะแนวความคิดที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจไปค้นคว้าศึกษาออกมาจากใจทั้งหมด ถ้าใจฉลาดแค่อย่างเดียวปัจจัยเป็นสมาธิิไม่ใช่ฉลาดอย่างเดียวนะถ้าฉลาดไปทางโลกมีเอาเล็กเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมิถะคดใจจิตใช้ปัญญาคดกองคนอื่นเนยอมีแต่คิดกันแกล้งคนอื่นมีอิจฉาพยาบาทคนอื่นแต่ใช้ปัญญาทั้งหมดอันนั้นเรียว่าปัญญามิจฉาทิฏฐิใจที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอคนใจที่เป็นสมาธิไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนคนอื่น มีแต่ช่วยชงเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมให้ร่มเย็นเป็นถูกท่วนหน้ากันอีกไม่นานแหะต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างตายไปเราเอาอะไรไปด้วยได้มีไหมที่พระพุทธเจ้าสอนเราเอาอะไรไปด้วยได้มีไหมถ้าไม่มีเอาไปด้วยไม่ได้ขนาดร่างกายยังเอาไปด้วยไม่ได้เราจะไปยึดจะไปให้ความสำคัญอะไรมากมายนักหนา อันไหนที่เกิดประโยชน์อันไหนที่เป็นธรรมอันไหนที่ถูกต้องอันไหนที่ความเหมาะสมประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเราจะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนั่นแหละในใจของเราเราต้องคิดอย่างนั้นเราอยู่ในสถานที่ใดร่มเย็นเป็นจุกทั้งหมดอยู่ที่วัดของเราก็เอาทำงานช่วยการช่วยงานมูลพกเพื่อนจะให้เขาหนักใจไปอยู่กับครูบาอาจารย์สานักงานไหนก็ตามต้องมองดูอย่าให้เขา ดูถูกหรือจะให้เขาว่ากล่าวเราได้เราไม่เอาไหนอย่าให้เขาหนักใจแต่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเบอกผมเจ็บไข้ได้ป่วยผมไม่สบายเขาก็จะได้ช่วยยืดหยุ่นแต่ไม่ใช่วันไหนกับวันเก่าเอาเปียบเขาขี่คอเขายังไม่แล้วยังขี่หัวเขาอีกยังดูถูกเยียดตยามเขาอีกเราจะไปอยู่กับเขาได้ยังไงแต่เอตัวเองก็นั อย่างที่หลวงตามหาบัวท่านพูดหลวงพ่อยังจําไม่ลืมมีโยมคนหนึ่งจะมาขออยู่ที่วัดป่าบ้านตาดมาเราก็ไปได้เวลาแล้วนะมันอยู่ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วกุฏิมันจํากัดมาศึกษาแล้วต้องไอออกไปไปบอกโอโ้โหไอก่อนที่จะไปอบบอกเขาเนะี่ยเราก็เป็นพระน้อยอีกสังหะจะใช้เลี่ยงเหลี่ยมยังไงจะไปพูดแบบท่านพูดก็ไม่ได้ เราก็ต้องใช้กุส โ, โลบาย เ, าเพราะว่าวัดนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านรับคนจำกัด น, นะโยมแล้วะเอาจะไงท่านจะมาบอกให้โยมไปก่อนซาก่อนนะยังค่อยกลับมาทีหลังแต่คำนี้ท่านมาได้บอกนะกลับมาทีหลังแต่เราก็พยายามพูดเพื่อไม่ให้กระทบกระเทืนนะเอนอ่ะเพราะเราเป็นพระน้อยอต้องมี เล่เหลี่ยมชั้นเชิงอ่ะเท่าที่สติปัญญาเรามีเขาก็บอกว่าท่านครับขอไปกราบเรียนหลวงตาด้วยว่าผมมาอยู่ที่นี่ผมตัง้งจิตอธิษฐานแล้วผมจะขออยู่สามเดือนในพรรษาผ şey มตัง้งจิตอธิษฐานแล้วผมจะขออยู่ที่นี่เพราะท่านผมมีคำสัตย์ที่จะอยู่ที่นี่สามเดือนเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงไปกราบเรียนท่านอีก ขอโอกาสพระแม่กุญจารย์โยมที่พระแม่กุญจารให้เก้าของผมไปบอกเขานะเขาบอกว่าเขาขออยู่ด้วยเถิดเพราะว่าเขาตั้งจิตอธิษฐานแล้วเขาจะอยู่ที่นี่อยู่ที่วัดพระแม่กุญจาร์สามเดือนทั้งที่ท่านจะเออถ้านเจ้าอาณาจไม่เอาเด้ดนี่ฮะไปบอกเขานะก่อนที่จะตั้งจิตอธิษฐานอยู่ที่ไหนก็ตามก็ต้องมาบอกเจ้าของวัด มาบอกเจ้าของพื้นที่เขาก่อนสิไม่ใช่ว่าเราจะตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าจะนั่งอยู่บนศรีรษะของท่านก็จะเป็นนั่งบนศรีรษะของเขาได้อย่างไงในเมื่อเขาไม่อนุญาตไปไปบอกเขาโอ้คำนี้ขนาดถึงสามสิบกว่าปีลูกหลานหลวงพ่อยังจําไม่ลืมฮะโอ้ใช่มีเหตุผลจริงๆฮะหลวงพ่อว่าเนะนี่แหละก่อนที่จะเราจะตั้งจิตอธิษฐานอะไรมันต้องรอบคอบทุกอย่างซะกอ่อนฮอันนี้เลยตรงตาเนะย เนี่ยยังว่าหลงตาไม่ใช่ธรรมดาใท่เนีหลงพ่อเนี่ยเนียกว่าฟังฟังจากหลงตามาแล้วหลงพระหลงพ่อเฮ้ยหลงตานี่ยพูดขมจริงๆยอมรับนะรับผ่อนอนุโมทนาให้ผ่อน